ถ้าจักอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังสี ันเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธทาสคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนา กับมอกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธาตุยังอยู่ไปไม่มีตายอยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ ไม่หยุดเชยด้วยทารรมโค ต, ตามที่วางไว้อย่างเคยโอ้พื้นเอ่ยมองเห็นไหมอะไรตายแม้ฉันตายกายรับไปหมดแล้ว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 ยังอยู่กับท่านทั้งหลายอย่างขนหลังมีอะไรมาเขี่ยไข้ให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกัฉันไม่ตายเถิดย่อมจะเกิดผลสนอง หลายขแขนงทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแรงทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกัน